นางเห็นท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินทบาทในกรุงเวสาลีเกิดมีจิตปฏิพัต ร, รักใกรจึงไปถึงที่อยู่ของพระเถระเริ่มทำการเล้าโลมพระเถระอาจารย์บางท่านกล่าวว่านางถูกพวกเดียรถีส่งไปจึงได้ทำอย่างนั้นพระเถระคุกคามแล้วได้ให้โอวาทแก่นาง โดยการชี้แจงถึงอักสุภกรรมฐานเป็นสำคัญเมื่อพระเถระให้โอวาทอย่างนั้นแล้วนางเกิดความสังเวชใจเกิดฮิริโอตับปากมีศรัทธาในพระศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสิกาต่อมาได้บวชในหมู่ภิกษุณีเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัสต์เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุ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 ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของหญิงแพทย์สยาดุจในปราณคอยดักเนื้อฉะนั้นข้าพเจ้าอวดเครื่องประดับต่างๆและอวดอวัยวะที่ควรปกปิดให้ปรากฏกระท ร, รมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดีวันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศีรษะโลน้นผมผ้าสังขติบวชเที่ยวบินบาตแล้วมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้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 ประมาทมานานวันวันนี้เดี๋ยวนี้ประพฤติอยู่ในคำสอนของพระมหาโมคคลานาเถระบวชแล้วบรรลุทุติยฌานทําฌานนั้นให้เป็นบาตรเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัตตผลแล้ว